ด็อเตอร์ุบ ก, กับงานสร้างเยาวชนของชาติโดยคุณหลวงในระยะหลังมานี้ผมเดินทางไปมากรุงเทพอุดรธานีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งบางอาทิตย์ก็ถึงสองครั้ง เนื่องจากต้องติดต่อประสานงานกับคนหลายคนในเรื่องที่เห็นว่าต้องได้รับการดูแลผมชอบเดินทางโดยรถยนต์เพราะสะดวกในการแวะตามทางตามใจชอบผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้งจะมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการขออนุญาตผู้ปกครองที่บ้านส่วนมากก็เป็นขาประจำสองคนที่ล้วนอยู่ในวัยเด็กด้วยกันและเป็นเพื่อนเดินทางร่วมกันมาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วทั้งนั้น เราจะแวะตลอดเส้นทางทั้งขาไปและขากลับหากาแฟดื่มหาข้าวเช้ากินที่ปั๊มน้ำมันขาประจำที่โคราชกลางวันก็อิ่มท้องด้วยไก่ย่างส้มตำไส้กรอกอีสานซึ่งถือเป็นอาหารประจำคณะตกดึกก็จะหาโอกาสไปเสาะหาข้าวต้มกินกันในอุดรธานีมีหลายร้านล้วนขายดิบขายดีเป็นล่าเป็นสันร่ำรวยไปตามๆกัน สิ่งหนึ่งที่ได้พบได้เห็นเป็นประจำกันเกือบทุกครั้งที่ได้แวะเวียนเข้าไปก็คือเด็กสาวสาวอายุน้อยๆส่วนใหญ่จะอยู่ในวัย1 8ปถึงีปีทำหน้าที่เชียร์เบียร์ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็นำสัตว์คึกขนองจำพวกเสือสิงกระทิงแรดช้างม้าวัวควายมาเป็นเครื่องหมายการค้าให้ผู้ต้องการดื่มได้จินตนาการถึงพลังที่แต่ละยี่ห้อจะสามารถสร้างความมึกเหิมได้บรรดาเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี้ย ล้วนให้สาวไวละอ่อนมาเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมชักชวนชี้แนะให้ดื่มสาวเชียเบียพวกนี้แต่งกายประจำยี่ห้อของตัวด้วยเครื่องแบบล่อเสือล่อจระเข้ที่เล็กเกินมาตรฐานท่อนบนรัดรูปรัดทรงท่อนล่างสั้นเตอ่อจนเหมือนนุ่งกางเกงในผันด้วยผ้าแคบที่สุดตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเมื่อจังหวัดอุดรธานีถูกใช้เป็นฐานทัพของกองทัพอเมริกันอุดร ก็เปลี่ยนไปถอดรูปเพียงชั่วข้ามคืนกลายเป็นจังหวัดที่มีหลากหลายองค์ประกอบในยุคนั้นมีฝรั่งผิวขาวผิวดำเดินเต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่มีหน้าที่เสี่ยงตายออกไปรบไปทำสงครามที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราพอรอดตายกลับมาได้ก็ต้องฉลองกันให้มืนเมาเพื่อลบล้างบาดแผลใจจากสนามรบให้ได้ปลดปล่อยจากความทุกข์ทั้งหลายชั่วขณะโดยการจมอยู่ในอบายมุขที่แสนหอมหวาน เพราะชีวิตแต่ละวันไม่มีอนาคตโอกาสนี้เป็นโอกาสทองของผู้คนในจังหวัดต่างรีบช่วยโอกาสลงทุนทําธุรกิจอย่างเต็มไม้เต็มมือสาวๆที่มีผิวคมขำออกน้ำตาลไหมก็ยึดอาชีพเป็นแม่บ้านของนายฝรั่งบ้างก็ยอมตัวเป็นมาดามชั่วคราวสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดิบได้ดีไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเป็นมาดามถาวรกันก็มีมาก ฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของคนอุดรดีขึ้นอย่างรวดเร็วทันตาเห็นเงินทองสะพัดไปทั้งจังหวัดผู้ที่มีฐานะร่ำรวยขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านต่างก็ได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาเป็นตัวอย่างของสังคมเล็กๆที่ยึดการยอมตัวเป็นแฟนฝรั่งเพื่อนำความร่ำรวยในชั่วพริบตาให้พ่อให้แม่โดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมวัฒนธรรมหมดแล้วยุคแห่งความแข็งแกร่งอดทนต่อความยากลำบากในการทำงานหาเลี้ยงชีพ ยังมีศักดิ์ศรีในตัวเองเมื่อสงครามเวียด น, นามยุติลงชีวิตคนเมืองอุดรก็เงียบเหงาตามไปด้วยทำมาหากินอะไรก็ไม่สะดวกเงินก็ไม่คล่องมือเหมือนเดิมเด็กสาวที่ข้ามขั้นชีวิตต้องระหกระเหินย้ายถิ่นข้ามจังหวัดไปตามแสงสีเสียงหวังไปไต้เอาดาบหน้าธุรกิจบันเทิงอันเป็นหลังอบายามุกยั่วยุกิเลสตัณหาไม่ว่าอะไรที่พอจะทาเงินได้ ต้องรีบควา้ารีบทำไว้ก่อนไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องศิลธรรมหรือแม้แต่วัฒนธรรมอันดีงามไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปการรักนวลสึ่งวนตัวที่ปู่ย่าตายายพร่ำสอนของมีอยู่กับตัวก็ต้องทํามาหากินก่อนที่ความเต่งตึงจะโอยร่วงไปตามวัยชีวิตวัยรุ่นของเด็กสาวหรือแม้แต่เด็กชายเหล่านี้ขาดหายไปพวกเขาเหมือนตัวโน้ตดนตรีที่คล่อมจังหวะข้ามจังหวะชีวิตไป ต่างห่างเหินจากธรรมะและความละอายต่อบาปอำนาจเงินที่สามารถดนบันดาลความฟุ้งเฟอ้อสุขสบายให้ได้อย่างที่คนรุ่นก่อนๆไม่เคยเอื้อมถึงทําให้ครอบครัวของคนเหล่านั้นปิดหัวใจกับเรื่องของเกียรติภูมิและเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานจนลืมตัวลืมตายลืมกรรมกันจนหมดสิน้นชีวิตของเด็กวัยรุ่นไทยในปัจจุบันก็อยู่ในวงจรเดียวกันนี้โดยเฉพาะเด็กตามตาม่ตางจังหวัด ที่ต้องดิ้นรนเพราะความยากแค้นลําเข็นของพ่อแม่ผู้เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินวัยรุ่นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กสาววัยอ่อนที่ซึมซับและหลงระเริงไปตามวัฒนธรรมที่ใช้เงินเป็นใบเบิกทางต่างๆที่ระบาดเข้ามาราวกับโรคร้ายเข้ามาเกาะกินหัวใจของพวกเขาชักนำไปในทางเสื่อมเสียซึ่เป็นส่วนใหญ่ทาลายทั้งตัวและอนาคตของเยาวชนไทยโดยเฉพาะเยาวชนตามจังหวัดใหญ่ทั้งหลาย ที่วัฒนธรรมโลดผลถาทถมเข้ามาเหมือนกับลาวาจากภูเขาไฟที่ร้อนแรงเหมือนไฟบันลักันที่รุกเข้าไปทางใดก็เผาพลานไปตลอดทางจนหมดสิ้นเหลือไว้แต่ซากแผ่นดินที่มอดไหมหาความเจริญไม่ได้จากตลาดสดพื้นบ้านเล็กๆกลางชุมชนตามละแวกบ้านกลายมาเป็นตลาดสมัยใหม่ติดแอร์ในชื่อฝรั่งกระจายครอบคลุมไปทุกหัวระแหง ขนาดประชิดกับเขียงนากลางนาที่เคยเว็บปลูกข้าวปลูกผักหญ้าวไว้เก็บกินจิ้มปลาแดกปลาเจลเปิบปั้นข้าวเหนียวเขียงนาที่เคยเป็นที่พักป้องแดด ก, กินข้าวเอนกายตอนเที่ยงวันเป็นเพียงตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่หลงเหลือไว้เป็นสัญลักษณ์ของนาข้าวในอดีตที่ดูเกะกะสายตาร้านสะดวกซื้อจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ชาวบ้านจะได้อาศัยอุ้มลูกจูงหลานเข้าไปพักผ่อนไปพักร้อนพึงรับไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศทันสมัยเข็นรถเข็นเล่นกันในร้าน แทนการขี่ควายเลี้ยงวัวกลางทุ่งที่แสนทรมานผู้หญิงคนหนึ่งที่สืบสายเลือดของความเป็นครูที่ตลอดชีวิตเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เห็นเยาวชนที่มีแต่หัวทิ่มลงสู่นรกอเวจีเยาวชนที่ปราศจากผู้นำชี้แนะทิศทางที่ถูกต้องเธอเฝ้ามองชีวิตเยาวชนที่แวดล้อมอยู่รอบตัวเธอด้วยความรู้สึกหดหู่เมื่อจังหวะชีวิตประจวบเหมาะ เธอจึงหันมาทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการปูพื้นฐานฝังรากลงเข็มให้เยาวชนทั้งหลายได้เข้าสู่ธรรมะของพุทธศาสนาให้ได้รู้จักสิ่งดีประเสริฐสุดของชีวิตอันเป็นการวางกรอบของความเชื่อมั่นในตัวเองและปลูกสร้างศรัทธาให้เป็นเกราะแก้วแห่งธรรมไว้ปกป้องตัวเยาวชนเองอันเป็นการเสริมการศึกษาพื้นฐานของรัฐอา จ, จารย์สตรีท่านนี้ก็คือดรดาราวันเด่นอุดม หรือดตรตุกของผมที่ผมรู้จักคุ้นเคยและยกย่องเธอจากความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนดตรตุกได้มีโอกาสข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนทางด้านภาษ า, าศาสตร์และการสอนภาษาต่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสจนจบการศึกษาขั้นสูงสุดได้ปริญญาเอกเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเมื่อกลับเมืองไทยแล้วดรตุกก็รับราชการต่อไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่วงการศึกษาของไทย จากที่เป็นชาวกรุงเทพก็เหมือนกับย้ายถิ่นฐานไปปักหลักเป็นชาวโคราชลูกหลานย่าโมเธอได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงจากพระพุทธศาสนาที่เธอได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติใจถวายด้วยความเชื่อมัน่นศรัทธาและเธอเชื่อมั่นว่าพุทธธรรมนี่แหละที่จะแก้ปัญหาหนัก อ, อกของสังคมจากการที่เยาวชนหันเหชีวิตไปในทางที่ล่อแหลมต่อความเสื่อมเสียเมื่อโอกาสลงตัวเธอจึงสละคราบความเป็นนักวิชาการ สละชีวิตที่แสนจะสบายด้วยฐานะทางสังคมฐานะทางอาชีพการศึกษาที่ได้อุทิศตัวครึ่งค่อนชีวิตสละแม้ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเงินเดือนประจาที่ใช้เลี้ยงชีพออกจากระบบราชการมารับบำนาญที่ได้เพียงเดือนละ 16,000 บาทมาสวมบทบาทของความเป็นแม่เป็นครูของเด็กๆจัดการอบรมให้เด็กๆได้เข้าถึงธรรมซึ่งจะนามาสู่การเข้าใจชีวิตการรู้จักตนเอง เธอเอาใจใส่เขี่ยวเขียนเด็กๆเหมือนแม่บังเกิดกล้าวที่ต้องอุ้มชูลูกเยาวชนนับเป็นหมื่นคนที่ได้เข้าร่วมในแผนการอบรมของเธอในแต่ละปี